เรื่องวิธีให้ส่วนจีวรสมัยนั้นภิกษุเจ้าหน้าที่แจกจีวรได้มีความคิดดังนี้ว่าพึงให้ส่วนจีวร อ, อย่างไรหนอคือจะให้ตามลําดับผู้มาถึงหรือตามลําดับพรรษาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ